ถามทำไมผู้หญิงบางคนหากอกผู้ชายไว้มากแต่ยังอยู่ดีมีสุขและแต่งงานกับผู้ชายดีๆได้ละคะตอบก็แล้วแต่จะว่ากันนะครับใครเจอแบบไหนก็ว่าแบบนั้นมีคนช่างสังเกตกล่าวไว้ทานองว่าสาวสวยจอมทนงจะเดินตามรอยเดียวกันประมาณหักอกผู้ชายดีๆเสียทีให้ผู้ชายเร็วๆ แล้วค่อยคลานขึ้นมาจากเหวมาแต่งกับผู้ชายรวยๆถ้าคิดว่าเป็นเรื่องโจ๊กหรือเรื่องจริงคงสุดแต่จะเคยเห็นตัวอย่างมากี่รายวิบากเป็นเรื่องอจินไตยคือไม่อาจคาดคิดกะเก่ง้วยสูตรสำเร็จตายตัวเช่นบอกว่าตอนสาวๆชอบหักอกหนุ่มเป็นงานอดิเรกเป็นต้องพยากรณ์เลยว่าต่อไปคงถูกหักอกคืนแล้วก็ไม่ได้แต่งงานกับผู้ชายดีๆ มีแต่ชีวิตกินน้ำใต้ศอกรออยู่เพราะถ้าวิบากเป็นเรื่องตายตัวขนาดนั้นป่านี้คนคงเชื่อว่าวิบากมีจริงกันทั้งโลกไปนานแล้วตัวแปรในการประกอบกรรมของสาวนักหักอกหนุ่มมีอยู่มากมายเอาแบบเป็นปัจจุบันที่เห็นเห็นคือเจตนาประทุษร้ายไม่เท่ากันความสะใจหลังหักอกสำเร็จไม่เท่ากันและวิธีหักอกก็ก่อความเจ็บปวดให้หนุ่มๆไม่เท่ากัน ที่สำคัญคือนิสัยคนเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ต้องรอข้ามภพข้ามชาติเอาแค่ชาติเดียวชีวิตเดียวนี้ก็เปลี่ยนได้ร้อยครั้งพันหนผลที่จะได้รับจึงผันผวนรวนแปรเป็นเงาวตามตัวไปด้วยกรรมจากอดีตชาติเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมันวางแผนชีวิตพวกเราตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีกรรมใหม่ในปัจจุบันชาติมงัดข้อเอาชนะได้สาเร็จ คุณก็จะรู้สึกเหมือนฟ้าและดวงดาวขีดจตาไว้ตายตัวแล้วดังเช่นสาวสวยเสน่ห์แรงโดยทั่วไปนั้นเคยดีมากหรือแสนดีที่สุดมาก่อนมิฉะนั้นก็ไม่อาจเป็นมนุษย์สุดโสภาได้บางท่านนั้นได้รับการคุ้มครองจากบุญใหญ่ขณะที่แทบทั้งชาติถูกใส่ล็อกไว้เลยว่าห้ามเจ็บปวดโดยฝีมือคนอื่นหากพวกเธอ ไม่ได้ทำความเจ็บช้ำน้ำใจให้ใครต่อใครไว้มากเกินไปก็จะได้รับการคุ้มครองจากบุญเก่าในอดีตไปตลอดชาติไม่มีทางอกหักด้วยฝีมือชายหน้าไหนยกตัวอย่างเช่นปางก่อนของสาวบางคนนั้นตลอดชีวิตเคยชอบถนอมน้ำใจคนแม้ด้วยความคิดก็ไม่อยากให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจมีแต่เห็นใจพลาดล้มแล้วรีบปาดเข้าไปช่วยฉุดขึ้น พยุงทั้งทางกายและทางใจเส้นทางกรรมในชาติใหม่จึงราบเรียบปราศจากความขรุขระไม่มีการวางหมากไว้ต้องเจอใครทําให้เสียใจยิ่งกว่านั้นแม้พลาดพลั้งหลงผิดคิดหักอกใครก็จะไม่โดนเอาคืนทันตาเห็นเพราะแรงส่งของกรรมเก่ายังเหนือกว่าธรรมดาระหว่างการเวียนว่ายตายเกิดในห้วงสังสารวัฏอันวิจิตรนี้แต่ละชาติสวยหล่อไม่สม่ําเสมอ บางชาติหน้าตาเรียบเรียบเพราะปางก่อนบุญบาปไม่โดดเด่นทั้งสองฝ่ายบางชาติดูแย่เพราะปางก่อนก่ อ, กอบาปมากกว่าทำบุญและบางชาติก็ดูดีมีระดับเพราะปางก่อนฝักไฝ่บุญโดดเด่นเป็นพิเศษแล้วคนเรารูปร่างหน้าตาระดับใดก็ตีกรอบให้หลงตัวในระดับนั้นท่านจึงว่าบุญเก่าอาจเป็นปัใจจัยให้ก่อบาปใหม่คือถ้าทำดีจนบุญบรรดาให้สวยหลอ่อ ก็อาจหลงผิดใช้เครื่องมือที่มีติดตัวไปทำร้ายจิตใจใครต่อใครส่วนบาปเก่าก็อาจเป็นปัใจจัยให้สร้างบุญใหม่คือถ้าทำเลวจนบาปบันดาลให้ขี้ริ้วขี้เรก็อาจเจียมเนื้อเจียมตัวอยากถนอมน้ำใจใครทั้งโลกบุญเก่าของบางคนจะกระตุ้นให้สำนึกด้วยครับส่วนลึกจะบอกตัวเองว่าที่รูปชั่วตัวดาก็เพราะเก่อกรรมด้วยจิตมืดจึงแสวงทางสว่าง ทำดีทุกวิถีทางในขณะที่บางคนยิ่งรูปชั่วตัวดำก็ยิ่งรู้สึกเข้ากันได้ดีกับจิตใจของตนเองนึกอยากร้ายให้สุดขั้วสะใจยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกประการหนึ่งหากสาวสวยที่คุณว่าเขามีคู่ที่เคยร่วมบุญกันมาเป็นชายดีๆที่ชาตินี้ยังไม่เลิกดีเมื่อพวกเขาเจอกันแล้วได้มีโอกาสเกื้อกูลก็ต้องลงเอ่ยครองรักกันอย่างหวานชื่นปัญหาคือตามมนุษ เออให้คุณเห็นแค่พฤติกรรมไม่ดีงามของผู้หญิงแล้วก็เห็นผู้หญิงได้ไปอยู่กับผู้ชายดีๆไม่อาจอย่างรู้ว่าพวกเขาเคยสร้างกันมาก่อนแต่ปางไหนจึงได้ข้อสรุปจากภาพลวงตาหาใช่จากเหตุผลต้นปลายที่แท้จริงไม่และจะยิ่งแย่ถ้าข้อสรุปจากภาพลวงตาของคุณกระตุ้นให้คุณเกิดแรงบันดาลใจเห็นว่าการจะเป็นสาวเจ้าสเสน่ห์ผู้สามารถมัดใจชายดีๆได้นั้น ต้องผ่านสังเวียนหักอกคู่ชกมาหล า, หลายรุ่นเสียก่อนนี่แหละเกิดตายอย่างไม่รู้อิโนโอิเนเช่นนี้ถ้าไม่ตั้งใจว่าจะเป็นคนใจดีก็มีสิทธิ์โดนหลอกให้เป็นคนใจร้ายได้ง่ายๆตลอดเวลาสำหรับนักหักอกทั่วไปไม่ว่าหญิงหรือชายหากบุญเก่าไม่แน่นหนาแล้วชีวิตนี้มัวเมาขนองเสน่ห์ของตนมากๆหมกมุ่นกับการเปลี่ยนแฟนบ่อย แล้วไม่สนใจใยดีใดๆกับความเสียใจของคนอื่นอันนั้นแหละครับถึงมีสิทธิ์เจอของแข็งโดนเอาคืนเข้าให้บ้างในเวลาไม่ช้าเกินรอยังไรกรรมก็ทำหน้าที่แน่ครับรักษาจิตเราอย่าเผลอไปช่วยเร่งรัดก็แล้วกันดีไม่ดีนอกจากร้อนรุ่มกลุ้มใจเปล่าแล้วยังเผลอไปเห็นผิดเกี่ยวกับธรรมชาติกรรมวิบากเป็นของแถมที่น่ากลัวอีกต่างหากครับ ใจไม่เท่าคุณค่าจะเกิดเป็นคนนั้นก็ลอยไม่ไป